ความดีข้อแรกการทำความดีนั้นทำแล้วดีจริงหรือไม่ในสมัยราชวงศ์หยวนราวปีพุทธศักราช1814ถึง1911มีพระเถระรูปหนึ่งมีนามว่าท่านจงฟงห้องเต้นในสมัยนั้นได้สถาปนาท่านเป็นถึงสังฆราชท่านมีคุณธรรมล้ำเลิศ มีคนไปน้ำมสการท่านมากมายอยู่มาวันหนึ่งมีพวกนักศึกษาลัทธิองจือได้พากันไปน้ำมสการท่านกราบท่านถามถึงปัญหาหนึ่งว่าพพุทธศาสนานั้นเน้นหนักในเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดุดเงาตามตัวบัดนี้ปรากฏว่าบางคนทำความดี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 แล้วท่านก็ให้พวกนักศึกษาลัทธิขงจือยกตัวอย่างที่พวกเขาเห็นว่าดีและไม่ดีออกมาจะได้เข้าใจความหมายของความดีทองแท้ขึ้นบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการตีคนด่าคนนั้นไม่ดีการอ่อนน้อมมีมารยาทดีนั้นจึงจะดีบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการล ะ, ะโมบอยากได้ของเขาอื่นนั้นไม่ดีการไม่โลภถือสันโดษนั้นเป็นความดี ท่านจงฟงเถระก็ได้แต่สายหน้าว่าไม่ใช่อย่างว่าเสมอไปท่านอธิบายว่าถ้าเราทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นเรียกว่าทาความดีแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองนั่นคือความไม่ดีถ้าเราทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นถึงแม้เราจะตีเข่าก็ดีดุด่าว่ากล่าวก็ดีล้วนแต่เป็นการกระทำดีทั้งนั้น ถ้าเพื่อประโยชน์ของเราเองเราจึงอ่อนน้อมต่อผู้อื่นทำความคาระวะต่อผู้อื่นนี่เป็นความดีปลอมไม่ใช่ดีจริงฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามถ้าทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วไซเป็นความดีจริงทั้งสิ้นถ้าเราทำเพื่อผลประโยชน์ของเราเองก็เป็นดีปลอมทั้งนั้นถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงจะเป็นความดีที่แท้หากยังต้องการอามิสินจ้างรางวัลจึงจะทำความดีความดีนั้นก็เป็นดีปลอมเพราะฉะนั้นคอนที่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีก็ต้องพิจารณาใคร่ครวนทุกแง่ทุกมุมเสียก่อนมิฉะนั้นการวินิจฉัยของเราก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้